กจรเลิศพอรท่านผู้มีจิศตศรัทธามีความเนื่องใสในรพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างบุญสม ด้วยความศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าทำดีได้ดีทำเชื่อได้ชั่วเป็นเป็นการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงอยู่ที่การกระทมของเรา การกระทำนี้เรียกว่ากรรมถ้าทำดีก็เรียกว่าบุญถ้าทำไม่ดีก็เรียกว่าบาปคาว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายครามว่าบาปอย่างที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันทำบุญทำกรรมถ้าอย่างนี้คำว่ากรรมก็แปลว่าบาปแต่ ตามหลักของคำสอนคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทําการกระทํานี้ก็ทําได้สามทางด้วยกันทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมคือความคิดทางวาจาก็เรียกว่าวาจิกกรรมคือการพูดทางร่างกายก็เรียกว่ากายกรรม าการกระทำทั้งสานี้ทําได้สาแบบด้วยกันทําดีก็เรียกว่าบุญทําไม่ดีทําร้ายทําชั่วก็เรียกว่าบาปทําที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมกลางๆในชีวิตของเราในแต่ละวันนี้เราจะทําทํา กรทั้งสามประการนี้ทางทั้งสามทางนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นเวลาเราคิดมาทำบุญเราก็เรียกว่าเราคิดดีทำคิดดีนะพอเราชวนเพื่อนฝูงมาร่วมทำบุญอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดดีแล้วพอเราได้เดินทาง ม, มาที่วัดนำเข้าของต่างๆมาถวายพระ อย่างนี้ก็เรียกว่าบุญเป็นการคิดดีพูดดีทำดีการกระทำที่ว่าดีนี้ก็หมายถึงว่าการกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและกับตัวเราเองเช่นการนำข้าวของต่างๆมาถวายพระนี่เรียกว่าทาน แานแปลว่าการให้ทานนี้จะให้กับใครก็ได้ให้กับพระก็ได้ให้กับคาวาะญาติโยมก็ได้ให้กับสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขแมวก็ได้เมื่อให้แล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้เรียกว่าบุญบุญนี้จึงเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะ ให้ข้าวของเงินทองหรือให้ความช่วยเหลือแก่ใครก็ตามให้ให้มนุษย์ก็ได้ให้ให้เปรตก็ได้ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ให้แล้วก็เรียกว่าบุญเพราะเมื่อเราให้แล้วเราก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจบุญนี้แปลว่าความสุขใจ เวลาเราทำบุญคือเราให้ทานอย่างที่เราทำในวันนี้เราก็จะได้บุญคือความสุขใจในทางตงกันข้างถ้าเราไปเบียนเบียนไปทำร้ายผู้อื่น <c oughs> เช่นไปข่าสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> ไปลักทรัพย์ <c oughs> ไปประพฤติผิดประเวณี <c oughs> ไปพูดปดโกหกหลอกลวงผู้อื่น <c oughs> เราก็จะ เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ก็คือบาปกนะารกระทำที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าการกระทาไม่ดีเรียกว่าบาปนะแล้วผลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจของเราเวลาของเราทำบาปใจของเราก็มีความทุกข์ เวลาเราทำความดีใจของเราก็มีความสุขนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำของเราในแต่ละวันในแต่ละเวลาเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอพบหน้าชากหน้าส่วนรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เราจะได้รับจากผู้อื่นนี้ เป็นผลที่สองที่จะตามมาอาจจะเกิดขึ้นทันทีก็ได้หรืออาจจะใช้เวลาถึงจะเกิดหรือไม่เกิดเลยในชาตินี้ก็ได้เช่นเราทำความดีแล้วไม่มีใครให้รางวัลไม่มีใครให้คำสรรเสริญแก่เราอย่างนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ในทางตรงนั้นข้ามถ้าเราทําบาป ก, ก็อาจจะไม่มีใครเขามาจับเราไปลงโทษก็ได้หรือประนามเราว่าว่าสําตำหนิเราเพราะว่าผู้อื่นเขาอาจจะไม่รู้ก็ไม่เห็นแต่นั่นไม่ได้เป็นผลของบาหรือบุญที่แท้จริงผลของบาป และบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสุขใจหรือความทุกข์ใจและอยู่ที่สถานภาพของใจถ้าทำบาสถานภาพของใจก็จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าทำบุญสถานภาพของใจก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเยช่นตอนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราทำบุญ ใจของเราก็จะสูงขึ้นเป็นเทพเป็นพรเป็นพระอาริยเจ้าได้จากการทำบุญถ้าเราทำบาสถานภาพใจของเราก็จะตกเลื่อนลงไปจากมนุษย์ก็เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกแล้วเมื่อร่างกายเราแตกไปแล้วดับไปแล้ว ใจของเราก็จะต้องไปตามสถานภาพของใจถ้าเป็นนรณก็ตกนรณถ้าเป็นเปรยก็เป็นเปรยถ้าเป็นเดรัจฉาก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาถ้าเป็นเทพก็จะไปเกิดเป็นเทพถ้าเป็นพรหมก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็จะไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าคนเรา จึงมีสถานภาพทางใจนี้ต่างกันถึงแม้ร่างกายของพวกเราจะมีเหมือนกันพวกเรามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจของพวกเรานี้ต่างกันใจของคนบางคนก็เป็นเดบัชชานคนพวกพวกนี้เขาถึงมักจะถูกจับเข้าไปขังไว้ในกรงขังไว้ในคุกเพราะถ้าปล่อยให้อยู่ข้างนอก ก็จะไปทำร้ายผู้อื่นเหมือนกับสัตว์ร้ายต่างๆที่เราต้องจับเอาไว้ขังไว้ในกรงใจของคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจเป็นเป็นเดรัจฉานเป็นเปรกเป็นอรม ก, ก็จะถูกจับเข้าไปขังไว้ในกรงเพราะพวกนี้จะไม่ช่วยเหลือไม่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น มีแต่จะทำร้ายทำลายผู้อื่นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดตัวเวนีโกหกหลอกลวงพวกนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ทางใจสถานภาพทางใจของเขานั้นตกต่ำลงไปไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปเป็นนรกบ้างถ้าเขาทำบา ด้วยความโลภทั้งๆ ท, ที่เขาก็มีพอมีพอกินอย่างนี้เรียกว่าเป็นเปรถ้าเขาทำบาปเพราะว่าเขาไม่พอกินอย่างนี้ก็เรียกว่าเดรัจฉานถ้าเขาทำบาปเพราะเขามีความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองเกลียดชังพักนี้ก็จะเป็นนรกในทางตรงกันข้ามถ้า ทำบุญสงเคราะช่วยเหลือผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะเป็นเทพถ้าได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบก็จะได้เป็นพรหมแล้วถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอํานาจของเราที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้แล้วปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แม้แต่ร่างกายก็ไม่ยึดไม่ติดถ้าร่างกายจะตายก็ ไม่หวั่นไหวไม่เสียดายปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความจริงของเขาไม่กวาดกลัวกับความตายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความแก่กับการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบหรือบุคคลที่รักที่ชอบไปพวงนี้ก็จะได้เป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป จนถึงขั้นพระอาหารหันต์เป็นได้ทั้งในขณะที่ยังไม่ตายพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์เป็นได้ทั้งทุกรูปแบบจะเป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเทพก็ได้เป็นโพมก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้อยู่ที่กรรมก็คือการกระทาของเราทางกายวาจาและทางใจ การกระทาของเราทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่ใจก่อนใจนี้เป็นหัวหน้าเป็นนายส่วนกายกับวาจานี้เป็นบ่าปใจเราต้องคิดก่อนต้องสั่งก่อนถึงจะพูดได้ถึงจะทำอะไรสั่งๆได้อย่างวันนี้เราต้องคิดก่อนว่าจะมาวันพอเราคิดแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายเรา ไปเตรียมข้าวเตรียมของต่างๆมาแล้วก็ปากของเราก็พูดชวนเพื่อนฝูงชวนญาติสนิทมิตรสหายพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทางมาวัดกันแล้วก็มากล่าวคำถวายทานแล้วก็เอาข้าวของที่เราเตรียมไว้มาถวายพระพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่า เราได้ทําบุญแล้วเราได้เป็นเทพขึ้นมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าเป็นน้ําก็เหมือนเราได้เติมน้ําเข้าไปในตุ่นไว้ส่วนหนึ่งแล้วเรามีความเป็นเทพอยู่ในใจของเราอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําไปทุกวันไปทำทำไปตลอดเวลาเพราะ เราสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นว่าเรามีเงินมากหรือมีเงินน้อยเพราะการทำความดีนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวเราใช้การกระทำด้วยร่างกายของเราหรือด้วยวาจาของเราก็ได้เช่น mm hmm. ถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็ใช้วาจาของเราพูดสั่งสอนผู้อื่น โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเรามีความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เราก็สอนเด็กในวันหยุดของเราก็ได้เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเขาจะเตรียมสอบเราก็สอนวิชาที่เรารู้นี้ให้กับเขาโดยไม่คิดเงินทองเราก็จะได้หมุน หรือว่าถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครทำงานช่วยเหลือสังคมต่างๆไปช่วยร่วมงานกับมูลนิธิต่างๆที่เขาออกไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเช่นเวลามีอุบัติภัยต่างๆมีอุบัติเหตุทางรถยนต์มีไฟไหม้น้ำท่วมเราก็ไปอาสาสมัคร ไปร่วมช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้เราก็ได้บุญเราก็ทำบุญอยู่ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำมากขึ้นมากขึ้นใจของเราก็จะเป็นเทพมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ได้เป็นพรมถ้าอยากจะเป็นพรหมนี้เราต้องนั่งสมาธิท่องทำใจให้สงบ ต้องหาที่สงบแล้วก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิถ้านั่งได้ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนโต๊ะไอ้บนเก้าอี้ก็ได้ข้อสำคัญขอให้เราควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆวิธีที่จะควบคุมก็คือให้เรามีสติอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่ง จะเป็นการสวดมนต์ไปในใจก็ได้เราสวดมนต์ไปในใจแล้วไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆใจก็จะสงบลงหรือถ้าเราสามารถให้คิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธเพียงคำเดียวเราก็คิดไป ท, ท่องไปภายในใจพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจโดยไม่ให้ใจของเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใจของเราก็จะสงบลงได้หรือถ้าเราไม่ชอบคิดเราใช้การเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หายใจเข้าก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจออกให้รู้อยู่กับเรื่องของลมเท่านั้นอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นอย่าไปรู้กับเรื่องของพี่ของน้องของเพื่อน ของคนนั้นของคนนี้อย่าไปรู้อย่าไปคิดให้คิดรู้อยู่กับเรื่องของลมลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากาลังหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่ากาลังหายใจออกลมหยาก็รู้ว่าลมหยาวลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องกลัวว่าลมหายไปแล้วจะตายถ้ายังมีความรู้อยู่นี้ไม่ตายถ้ายังมีสติรู้อยู่ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจให้รู้ว่าตอนนี้กำลังว่างก็รู้อย่างนั้นไปแล้วเดี๋ยวไม่นานใจก็จะดิ่งลงเข้าสู่ความสงบ พ, พอสงบแล้วก็จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรส หรือแม้แต่ร่างกายก็อาจจะหายไปจากใจจากผู้ที่รับรู้อยู่เหลืออยู่แต่ความว่างความสงบความสุขที่มหัศจรรย์ใจนี่คือการเป็นพรหมผู้ที่ได้สมาธิอย่างนี้แสดงว่าใจเริ่มเป็นพรหมแล้วนี่ก็จะเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่ว่า เราทำํำใจให้นิ่งให้สงบอย่างนี้ได้มากหรือน้อยถ้าทํามากก็ได้เป็นพร ม, มากถ้าทําน้อยก็ได้เป็นพรน้อยนี่คือเรื่องของจิตใจของเราที่เกิดจากการกระทําของเราการกระทําคือกรรมส่วนผลก็คือวิบากวิบากนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็ น, ปนผลที่ไม่ดี ว่าวิบากนี่เป็นคำว่าผลของกรรมเป็นคากลางๆถ้าเป็นบุญกเ็เป็นวิบากกรรมที่ดีถ้าเป็นบาป ก, ก็เป็นวิบากกรรมที่ไม่ดีเรามีอำนาจในตัวของเราเองที่เราจะกำหนดอนาคตของเราศาสนาพนุทธน้สอนกรรมเป็นผู้ลิขิตความเป็นอยู่ของเรา ไม่มีใครในในในโลกในจักรวาลในตาภพที่จะสามารถกำหนดลิขิตให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ได้มีแต่กรรมคือการกระทำของพวกเราแต่ละคนนี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ลิขิตให้พวกเราเป็นสัตว์ชนิดต่างๆดังในสุภาษิต ท, ที่ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสั์ให้เป็นไปต่างกันให้เป็นเปรยให้เป็นนรกให้เป็นเดรัจฉานให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทพเป็นโภมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การกระทำทั้งนั้นหรือแม้แต่การมาเป็นมนุษย์ก็มีความแตกต่างกัน บางคนก็ฉลาดบางคนก็ง่กบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็สวยบางคนก็ไม่สวยบางคนก็มีอาการครบส2สบองบางคนก็ไม่มีอาการครบ32สบองบางคนก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บบียดเบียนบางคนก็อายุยาวบางคนก็อายุสั้น ทำไมถึงมีความแตกต่างกันอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคนนั่นก็เป็นเพราะว่าในอนดีตเราได้ทำกรรมมาต่างกันเราทบาบาปมากหรือน้อยต่างกันเราทาบุญมากหรือน้อยต่างกันความเป็นอยู่ของเราฐานะของเราจึงมีความแตกต่างกัน ไม่มีใครที่จะสามารถมากำหนดเรื่องราวเหล่านี้ได้นอกจากตัวเราเองถ้าเราอยากจะให้ฐานะของเราดีขึ้นเราก็ต้องทำความดีให้มากขึ้นทำบุญให้มากขึ้นถ้าเราไม่ต้องการฐานะที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่ทำบาปทำกะทำบาปให้น้อยลงไป แล้วต่อไปภายในภาคหน้าของชีวิตของเราก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นด้วยใจที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงด้วยฐานะการเงินการทองสติปัญญาความรู้ความเจริญก็จะดีขึ้นไปตามลําดับหรือแม้แต่สุขภาพของเราก็ดีขึ้นได้ถ้าเราเลิก ทำลายร่างกายของเราด้วยการเอาสารพิษต่างๆเข้าไปในร่างกายของเราเช่นควันบุหรี่หรือสุราอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใจกับร่างกายแต่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อร่างกายทําให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไปก่อนวัยเพราะเป็นพิษ หรือแม้แต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์กับเราแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นสิ่งต่างๆที่เคยเป็นประโยชน์ก็อาจจะกลับเป็นโทษได้เช่นน้ำตาลของหวานต่างๆหรือของมันต่างๆของเค็มหรือของเผ็ดถ้าในถ้าเราอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตสิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยเป็นอันตรายจะเป็นประโยชน์ พราะร่างกายต้องการสิ่งเหล่านี้มาเสริมสร้างให้เจริญเติบโตแต่เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเริ่มแก่เริ่มชราแล้วทีนี้สิ่งเหล่านี้จะถ้ามีมากเกินไปต่อความต้องการของร่างกายก็จะกลายเป็นโทษขึ้นมาจะทําให้ร่างกายนี้เกิดโรคภัยต่างๆขึ้นมาได้โรคภัยเช่นเบาหวาน ไขมันอุดตันโรคหัวใจความดันหลังนี้ก็เกิดจากการเอาอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการเข้าไปมากจนเกินไปเราจึงต้องรู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายของเราถ้าเราอยากจะให้ร่างกายของเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และการออกกําลังกายนี้ก็เป็นการกระทําที่เป็นคุณแก่ร่างกายเช่นเดียวกันถ้าเราขี้เกียจเราชอบนั่งๆ่งนอนๆอนกินแล้วก็นอนอย่างนี้ร่างกายก็จะชํารุดชุดโทรมง่ายเป็นโรคภัยไข้เจ็บง่ายและตายตายง่ายกว่าคนที่มันออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ นี่คือการกระทำของเราเช่นเดียวกันที่ทำแล้วจะทำให้เกิดคุณหรือกดโทษดังนั้นเวลาเราทำอะไรเราควรคิดให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราทำนี้จะมีผลอย่างไรตามมาเช่นเราทำบาปอย่างนี้เราต้องรู้แล้วว่าผลที่จะตามมาก็คือความทุกข์ความรุ่มร้อนใจ และความเสื่อมของฐานะของใจของเราลงไปและการที่จะถูกผู้อื่นเขาตำหนิติเตียนหรือจับไปลงโทษหรือทำลายเราก็เกิดจากการทำบาปนี้เองเช่นเราไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะต้องเกิดความโกรธความเกลียดเกิดความแค้นเขาก็จะมาตามมาทำร้ายเรา ดังนั้นเวลาที่เราจะทำบาปถ้าเรามีสติระลึกได้ว่าทำแล้วเสียหายมากกว่าจะได้แล้วอาจจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คือได้ความสบายใจเช่นเวลาเราโกรธใครแล้วเราได้ทุบตีเขาได้ทำร้ายเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเราสบายใจแต่เราหารู้ไหมว่าความสบายใจที่ได้นี้ กับความทุกข์ใจที่จะตามมานั้นมันไม่คุ้มกันเพราะหลังจากเราสบายใจไม่นานเราก็จะเกิดความกังวลใจเกิดความทุกข์ใจเพราะเราเพราะเขาจะกลับมาทำร้ายเรานั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมีสติคอยดูการกระทําทางใจของเรานี้เป็นตัวสาคัญเพราะถ้าใจไม่คิดและไม่คิดร้าย ใจก็จะไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายถ้าเรามีสติคอยดูใจของเราตลอดเวลาพอเราคิดจะทำร้ายผู้อื่นเราก็จะรู้ทันทีแล้วเราก็จะสามารถระ ง, งับความคิดร้ายนี้ได้เหมือนกับเราดับไฟเสียแต่ต้นลมพอไฟเริ่มติดปับ๊บเรารีบเอาน้ามาดับปับ๊บมันก็จะไม่ลามลงไปออก แต่ถ้าเราไม่เฝ้าบ้านเราปล่อยให้ไฟมันไหม้พอเรากลับมาถึงบ้านไฟมันก็อาจจะไหม้ท่วมบ้านไปหมดแล้วกระดาฉันใดถ้าเราไม่มีสติคอยเฝ้าดูความคิดของเราคอยเฝ้าดูอารมณ์ของเราที่เป็นตัวการที่จะทำให้เราคิดไม่ดีเช่นเวลาเรามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โลภมีอารมณ์อยากนี้มันจะทำให้เรา คิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าเรารู้บ้าเราก็ต้องรีบตัดความอยากตัดความโลภตัดความโกรธทันทีด้วยการทำสมาธิก็ได้ด้วยการท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้หรือด้วยการสอนใจว่าถ้าสิ่งที่เราอยากได้นี้ไม่จำเป็นเราอย่าไปเอามาจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเราไปเอามาด้วยวิธีการทำบาปมันจะไม่คุ้มค่ากันหรือถ้ามันจำเป็นและอยากได้จริงๆก็ขอให้เราอดทนอดใจรอไปก่อนให้เราเก็บเงินเก็บทองจนกว่าเราจะมีเงินพอแล้วเราค่อยไปซื้อถึงที่เราต้องการมาแต่อย่าไปทำบาปโดยเด็ดขาดอย่าไปลักขโมยอย่าไปช่อโกงโกงหกหลอกลวง หรือถ้าเราอยากจะมีแฟนก็อยากไปแย่งแฟนของคนอื่นอยากไปแย่งสามีภรรยาของคนอื่นรอให้เราแต่งงานก่อนแล้วมีสามีมีภรรยาของเราแล้วเราค่อยหลับนอนกับเขาอย่างนี้ก็จะไม่มีอันตรายตามมาจะไม่มีโทษตามมาเราก็จะมีแต่ความสุขแต่ถ้าเราทำบาปแล้ว เราจะไม่เราจะขาดทุนเพราะเราได้ความสุขในตอนต้นเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องทุกทรมานใจกับผลบาป ท, ที่เราทำนะเราจึงต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าดูใจเราเหมือนกับเราดูเหมือนกับตำรวจหรือผู้คุมคอยควบคุมนักโทษ เขาจะคอยควบคุมไม่ให้นักโทษนี้คลาดจากสายตาของเขาไปเวลาที่เขาต้องพานักโทษออกมาจากกรงเขาจะไม่ปล่อยให้นักโทษไปตามอิจฉาของเขาฉันใดความคิดของเราก็เป็นเหมือนนักโทษที่จะมาสร้างความทุกข์มาทำร้ายใจของเราได้ เราจึงต้องคอยเฝ้าความคิดของเราถ้าคิดร้ายต้องรีบหยุดทันทีถ้ามีอารมณ์ไม่ดีต้องรีบหยุดทันทีหรือถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ให้พูดไม่ให้ทำอะไรจนกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีนี้หายไปเสียก่อนเช่นเวลาโกรธใครก็อย่าไปพูดอะไรกับใครอย่าไปทำอะไรเข้าไปหลบในห้องหรือในห้องน้ำ นั่งทำสมาธิทําใจให้สง บ, บก่อนให้สบายก่อนแล้วค่อยออกมาพูดออกมาทำอะไรต่อไปเพราะถ้าเราทําอะไรหรือพูดอะไรในตอนที่เรากำลังมีอารมณ์ไม่ดีเราจะทําความเสียหายมากกว่าการทําประโยชน์แล้วเราจะต้องมาชดใช้สิ่งที่เราทําร้ายทําเสียหายไม่คุ้มค่า วิธีดีที่สุดก็คือให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยออกมาพูดออกมาทําต่อไปถ้าเราคิดดีก็ไม่ต้องรอเวลาคิดดีก็พูดออกไปเลยทําดีก็ทําไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องรอเพราะพอเราได้พูดดีทําดีแล้วเราก็จะได้รับผล ท, ทันทีได้รับความสุขทันที นี่คือเรื่องของกรรมที่พวกเราทำกันอยู่ตลอดเวลาทางกายทางวาจาและทางใจและทำมีทั้งมีทั้งดีและไม่ดีได้ลกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วคือการกระทำของเราผลที่ตามมาก็คือความสุขใจความทุกใจและชีวิตที่ยาวขึ้นหรือสั้นลงอยู่ที่การกระทำของเรา ยึงขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อ ก, กรรมคือการกระทำของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นผู้ลิขิตให้ให้เราดีขึ้นหรือเลวลงให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือมีความทุกข์มากขึ้นแต่การกระทำของเรานี้ต่างหากที่เป็นผู้ลิขิตความสุขและความทุกข์ และฐานะของเราว่าจะสูงขึ้นหรือจะต่ำลงจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ด้านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำมาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอนิยติไร้เพียงเท่านี้